แต่ฟังแล้วไม่เอาทําไม่ได้ไม่เอาทําไม่ได้ไไไดฟังด้วยกันคิดอย่างนี้เรื่อยๆนะไม่ได้หรอกพิธีนี้เราทําไม่ได้หรอกเราจะต้องไปทำอย่างนี้น อ, นอย่างโน้นก่อนอะไรอเงี้ยคือคือก็พยายามที่ว่าจะาดูจิต <c oughs> ซึ่งห <c oughs> ลวงพ่อบอกว่าพระอาจารย์บอกว่ามันไม่ถูกจัจริญตัวเองเพราะได้ฝึกอย่างนน้นมานานมากเพราะฉะนั้นการที่จะ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 <c oughs> คือหยดเล่าเหลือเยอะหน่อยทีนี้ในการในการที่ดูจิตสะสมเหมือนน้ำลงตุง่มนี่ก็คือดูกอก็คือเผลอเมื่อไหร่รก็รู้เผลอเมื่อไหร่รก็รู้ใช่แต่มีเครื่องช่วยไว้อันหนึ่งืคเครื่องช่วยเช่นอาจจะขยับนิ้วอย่างนี้ก็ได้ขยับเล่นเล่นขยับเป็นแนะบ็ k กราวน์นนะวเวลาเผลอมัมได้เผลอไม่นานแล้วก็วันหนึ่งก็แบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบบ้าง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 เพราะปัญญานะีมีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนั้นการถลำรู้เนี่ยเป็นตัวมีปัญหาเอางที่เราฝึกกันก่อนก่อนเราฝึกแทบตายนะรู้หมดเลยนะอะไรอะไรเกิดดับนะทําไมมักไม่เกิดมักไม่เกิดเพราะมันถลำรู้ถลำลงไปอยู่ที่ท้องถลำไปอยู่ที่เท้าเนี่ยทำไมเราใจเราถลำไปเรากําหนดรูปนามแล้วใจถลำไปเพราะเราเรียนข้ามขั้นไป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 อ่ะเอาไม่ชี้ไหนก็ได้ก็อยากจะกลับเรียนถามหลวงพ่อว่ามันพัฒนาขึ้นไหมคะจิตมีโมหะไม่ชีด้ดูอักไหมค่ะเอจิ ต, ตมีฮะแล้วจะทําไงให้มันทําไงอะ่ะให้มันหายไปรู้สิรู้รจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหนะะจิตไม่ชอบโมหะรู้ว่าไม่ชอบโมหนะรู้ด้วยความเป็นกลางแม่ชีไปทําอะไรมาใจมันถึงฟุ้งฟุ้งไป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 อ๋ยังอยู่ที่เก่าเลยได้ขยับไปสังเกตดูไอ้พวกพูดมากอเนื้อหาไม่ค่อยมีนานๆสุ่มฟังเอาก็รู้เรื่องนะขยับขยับของเราไว้ไม่เสียเวลาอาเชิญขอบพระคุณขอกเราไปการแคป<อ>นิมนต์ท่านอาจารย์รคบ น, นิมนต์